Language 50 languages. Bin. การสนทนาหนึ่ง Conversa. ทำตัวตามสบายค่ะ p o s i s o m a ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ f a c i c o m a s a คุณอยากดื่มอะไรคะเคฟอล l ปอร์เบอเดคุณชอบดนตรีไหมคะเล a g r a d a la música? m ú s i c a ดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะ m e นกันตาลาเมสิก้าคลาสสนี่คือซีดีของดิฉันค่ะ Els meus CDs s ด n aquí คุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะน STRUMENT MUSICAL นี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะ a q u e s t a é s la meva guitarra. คุณชอบร้องเพลงไหมคะ c a i a g r a d a c a n t a คุณมีลูกไหมคะ t é f i l l s v o s e คุณมีสุนัขไหมคะ t ธอุงก็สบุษคุณมีแมวไหมคะเตุงกัดบุษเนี้คือหนังสือของดิฉันนี่คือห e ั s สือข l งดิฉันดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ a ะไรสต i ๊กยาจีน t กแกร์ลิบระคุณชอบอ่านอะไรคะ us a g r a d a llegir? คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะ Le agrada a concerts. คุณชอบไปดูละครไหมคะ Le agrada a al teatro. คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะ Le agrada a al ópera. กรุณาไปที่ w w w b o o k 2 c o m